ข้าพระพุทธเจ้าต้องการจะขอยืมพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัดเพราะขอยืมวงเล็บเรื่องที่131เอด